เมื่อกี้ก็คือพูดถึงในเรื่องของมรณะภัยเนาะสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องประสบพบเจอกันก็คือเกี่ยวด้วยของมรณะก็คือความตายเนี่ยนะความตายเนี่ยเขาเรียกว่ามีประเภทว่าอุปเฉชากามรณะก็มีใช่ไหมกาลมรณะอากาศมรณะตายในเวในสมเวลาที่ควรตายตายในเวลาที่ไม่ควรตาย คือถ้าเรามองการขาดไปของกระแสชีวิตเนี่ยการขาดไปของกระแสชีวิตถ้าเป็นพระอรหรันต์เขาเรียกอุปเฉรดท่ากาโมาระเป็นการตัดขาดภบชาติถ้าตายแบบเนี้ดีเพราะกิเลสท่านหมดแล้วเวลาท่านตายแล้วเนี่ยกระแสชีวิตของท่านก็จบก็คือหมดเมื่อกระแสชีวิตของท่านหมดเนี่ยแปล ว, ว่าท่านก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด ท่านไม่ต้องมาเกิดบ่อยๆมาแก่บ่อยๆมาเจ็บบ่อยๆมาตายบ่อยๆก็ต้องมาโศกมาล่ลารลําพันธุ์มาสบายกายไม่สบายใจมาทับแทนใจเหมือนเราสวดจันทร์เช้านั่นแหละทีนี้สําหรับเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็มีอะไรบ้างอะ่ะก็มีกาลมรณะกาลมรณะสองส่วนเนี่ยตายในเวลาที่ ท, ที่หมดอายุหรือว่าหมดกรรมเรื่องการาว่าไปแล้วอาการละเมิตายในเวลา เกี่ยวกันในเรื่องของการตายประเภทที่เกิดในเวลาที่มีคนตายเป็นต้นทีนี้ประเด็นที่บอกว่าไอ้ความตายนี่จริงๆแล้วประเด็นมันอยู่ว่าที่จริงเรามาพูดเรื่องมรณสติเข้าไว้มรณสติเนี่ยพอดีอก็ก็เอามาคนเราขอไป มีอยู่แผงสองแผนไปพูดในเรื่องของมรณะสติสู่ก็คือพูดถึงในเรื่องของความตายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าคํานวณเกี่ยวกับเรื่องของกระแสชีวิตที่มันเกี่ยวข้องกับความตายเนี่ยว่าเออถ้าเราจะอยู่สักร้อยปีเนี่ยคํานวณแยกออกมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณประมาณกีณ่ฤดู ก็สามร้อยฤดูนี่ก็แยกไปตามลำดับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้มองเห็นความจริงของชีวิตว่าจริงๆเนี่ยคนที่เขาสามารถที่จะวางใจได้ดีนั้นมรณานุสตเขาแข็งแรงนะการตายเนี่ยของเราด้านทั้งหลายเขาเรียกว่าชีวิตตินตริยุ ป, ปเฉชามรณะการตายด้วยการขาดลงของรูปรชีวิตและนามชีวิตเป็นการดับลงพบหนึง่ง แต่มันไม่จบไอ้ความตายตรงนี้นี่แหละที่มนุษย์กลัวกลัวกันมากทั้งๆ ท, ที่ตายแล้วต้องเกิดใหม่ทันชีนี่แหละแต่มนุษย์ก็กลัวความตายกันเลน้เกินเหตุผลหลายคนเมื่อศึกษาธรรมะก็มากลัวความตายประเภทที่ว่าเรายังไม่สามารถดึงกิเลสออกจากใ จ, จได้อย่างเด็ดขาดไอ้ความตายประเภทนี้มันก็เลยน่ากลัว ตรงที่ว่าถ้าไปเจอทุกขตินิมิตเนี่ยเป็นนิมิตไม่ดีมาปรากฏอกุศสลกรรมได้โอกาสให้ผมเวลาหลังตายไปแล้วมันก็เป็นอบายทุกขติวิบัติรกมันก็กลายเป็นวิบัติอีกชีวิตฉะนั้นถ้าใครยังมีสภาพกิเลสในใจคือราคาโทสาโมหารยังไม่สิ้นไปเนี่ย สภาพจิตใจมันจึงเป็นสภาพจิตใจที่ยังหวั่นไหวอะไรที่จะเป็นปัจจัยทำให้เราหายความหวั่นไหวหายความสซลุ่งกลัวก็คือพระาราชตรณะไรที่มนันย้ำเน้นกันมากที่สุดในเนีน่ไอตรงเนี้ยใครที่ได้ที่พึ่งแล้วได้สาธรณะแล้วบุคคลประเภทนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวภายกลัวพยันอันตรายทีนี้เวลาเกิดคนป่วย ซึ่งเป็นคนไม่รู้จักการเข้าถึงสารณาคมที่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องใช้แรงความเพียรพยายามค่อนข้างเยอะอามาถึงเน้นตลอดว่าก่อนที่เราอยากจะบอกคนอื่นเนี่ยให้นึงถึงพระพุทธเจ้าให้ถึงสารณะเนี่ยลองถามใจตนเองดูซิว่าแล้วสภาพจิตใจของตนเองมันมีสารานาหรือยังและสารณะที่ตนเองเข้าถึงจริงๆเนี่ยสภาพจิตที่เข้าถึงสารณะนั้นน่ะ เป็นสภาพจิตที่อ่อนแอหรือแข็งแลงถ้าสภาพจิตของเราเองก็ยังอ่อนแอกระสราเนี่ยไม่ใช่คุณแม่นะที่น่าเป็นห่วงนี่นการเป็นตัวเราหรือไม่อันนี้เขาก็นั่งคิดเพาราะสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีกรรมเป็นของของตนไอ้คําว่ามีกรรมเป็นของของตนในที่นั้นก็นกรรมสกาสัตาเนี่ยกรรมรรมาสกตาสตาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของตนเข้าใจหรือเล่ะ เงินทองรัตนาชาติแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินทั้งหลายทั้งหมดบ้านที่ดินทรัพย์เงินทองเนี่ยที่ว่าเราหามาได้เต็มตนเองยังด้วย ต, ตนเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยมันเป็นของตนเองเพียงชั่วคราวคาว่าชั่วคราวนั้นบางทีลมหายใจยังไม่ขาดทรัพย์สมบัติรัตนะเหล่านั้นมันก็ตกเป็นของคนอื่นไปหมดแล้ว อันนั้นจึงบอกได้ชัดว่าทรัพย์สมบัติเงินทองแก้วแหวนและธนาชาติที่ดินเป็นต้นไม่เรียกว่าทรัพย์ที่แท้จริงแต่สุจริตกรรมและทุจริตกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทําไปทางกายทางวาจาทางใจนี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงถ้าทุจริตกรรมมันจะตามเบียดเบียนกระแสชีวิตไปได้ในการบัตมนี้และในการต่อไป แต่ถ้าสุจริตกรรมมันก็จะตามส่งเสริมกระแสชีวิตในการปัจุบันและในการต่อไปใช่ไหมลูกนี่ก็เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมนั่นแหละมีสุจริตกรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงทีนี้พอบอกมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัตนะิเนี่ยมันมีสองส่วนมีทรัพย์สมบัติประเภทอดีตรกรรมกับปัจจุบันกรรมใช่ไหมเออเรามีทีนี้ทรัพย์สม บ, บัติที่เป็นอดีตรกรรมเนะี่ยแปลว่าแก้ไขไม่ได้ทำเรียร้อยเป็เส แต่ทรัพย์สมบัติที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันกรรมนี่แหละถามว่าตอนนี้ยในขณะที่เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนเราพูดเราคูย เ, เราเหียดก้มเงยเนี่ยตอนนี้อย่าลืมนะว่าเราก็กําลังทําปัจจุบันกรรมเพื่อจะเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเราในการต่อไปแต่มนุษย์ก็ไม่เคยรู้ตัวนะว่าเออตอ น, นเองทำกรรมประเภทไหนอย่างไรและกําลังคิดอะไรกันอยู่ ก็เลยไม่รู้ว่ไอ้คุณภาพของใจของเราเนี่ยคุณภาพของใจที่เรากําลังคิดเนี่ยมันเป็นคุณภาพของใจประเภทไหนประเภทของใจที่เป็นไปกับความดีงามหรือไม่ถามลองดูที่ว่าคุณภาพของใจของเราตอนนี้ได้เข้าถึงสรณะหรือยังเป็นยังไงลองมาดูที่ตรวจสอบสภาพของจิตใจตนเองดูซิว่าถ้าใจนั้นสามารถถึงสรณะได้จริงๆสภาพจิตใจนั้นก็จะต้องเป็นไปกับ การมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของวาทธรรมและคุณของะส์เป็นอารมณ์การถึงสาระอย่างนี้จึงบอกว่าโดยฐานะยึด่วงเอาพระรัตนตรัเป็นอารมณ์นั้นอย่างหนึ่งที่ในขณะที่ยึดถ้าสภาพจิตในขณะนั้นไปคิดถึงพระพุทธเจ้าโดยบัญญัตินะคิดโอ้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานบรารมีศีล แต่ละชาติแต่ละชาติมาต่อมาเป็นเจ้าชายสิทธะคลองราชสมบัติมาก็ต่อมาอายุสิบหกอภิเศสมรสต่อมาก็คลองราชสมบัติมาจนอายุยี่สิบเก้าแล้วก็มาออกบทเลยแปลว่าแต่ง้ต่อมาก็พออยู่ต่อมาก็มาออก ถ้าถามว่าตรงนี้จิตจิตคิดนั่นเป็นคุณภาพของจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลถ้าหาว่าสภาพจิตที่เป็นอกุศลถามว่าเชื่อว่าเป็นการนึกถึงพระจริยาคุณไหยก็รเรียกนั่แหละแต่มันไม่ใช่สาระนะนเห็นไหมว่าประเด็นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยประเด็นเห่นการดียวเอเอเราจะทําสภาพจิตใจของเราอย่างไรโนะ้ะที่จะทําให้ถึงสาระนะแล้วจะสังเกต ย, ยังไงอ ก็ต้องมานั่งคิดกันอีกว่าเอ๊ะไอ้ ก, กรณีคําว่าศรัทธาเนี่ยความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้ตัวสภาพของศรัทธาเนี่ยศรัทธาเขาอุปมาเหมือนอะไรเนี่นเหมือนมือคนที่ไม่สามารถผลิตศรัทธาที่แท้จริงให้กับตนเองได้เนี่ยก็เหมือนกับคนแขนพิการคนที่แขนพิการเนี่ยเวลาเจอรัตน์เงินทองทั้งหลายเกลื่อนหมดตกตามพื้นเนี่ยมันจะหยิบได้ไหมเนี่ย ได้ไม่ได้ทำไมรู้ไหมว่าเราทําไมถึงหยิบสติปัฏฐานไม่ถูกเพราะเราขาดอะไรขาดมือสติปัฏฐานสมปาทานอิิบาทเนี่ยคำสอนศีลสมาธิปัญญานี่ันเป็นมันต้องใช้คนมือดีนะหยิบมาฉะนั้นถ้ามีศรัทธาแล้วเนี่ยก็เข้าไปใกล้ถ้าถ้าไม่มีศรัทธาเขาไม่เรียกอุบาสกไม่เรียกอุบาสิกานะ แต่คนที่เขาจะเรียกว่าอุบาสกหรื อ, อบาศิกาไปแล้วเขาต้องมีศรัทธามีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรยัยเมื่อมีศรัทธาก็เข้าไปเลยเข้าไปใกล้ทีนี้ถ้ามันนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีศรัทธาเรียกว่าเข้าใกล้ไหมไม่เรียกแล้วไม่เรียกเข้าใกล้พระรัตนตรัยนั้นเรียกอยู่หา่างาะคนไม่มีศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยต่อคุณนี่นั่งใกล้เขาก็เรียกว่าอยู่ไกล เพราะคนที่มีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ถึงไปนั่งใกล้เลยเนะเออแปลกไหมเวลาเวลาไปพระวังกะลิไปจับชายีวร์รุทิยาวถือว่าอยู่ใกล้มากมไหมไเห็นไหมถือว่าใกล้ในะทางด้านรูปกายเนี่ยแต่พุทธจ้าบอกดูก่อนว่ากะลิเออเธอไม่ได้เห็นแต่ถาคดเสียแล้วผู้ใดเห็นรทำผู้นั้นเหนเราเนี่ยดูสิเนะี่ เออเกาะชายยีวเลยนะบอกเธอไม่ได้เห็นเดียแล้วเออนี่เราก็มานั่งคิดดิเดี๋ยวนี้เราอยู่กันมาหกวันวันนี้วันที่เจ็ดแล้วเนี่ยแล้วสวดมาทุกวันเนี่ยแล้วจะมีโทษพจน์เหล่านี้ถึงใจเราบ้างไ้มนะว่าเออดวก่อนเราเรียกชื่อตัวเองหน่อยเธอไม่ได้เห็นตถาคตเสียแล้วเธอไม่ได้นั่งใกล้ตถาคตเสียแล้วเนี่ยเพราะเธอไม่มีไม่มีศ ร, รัทธาตอนนี้ที่นะมิธากาลังเกิดขึ้นกับเธออยู่นี่ ตอ น, นี้จะเรียกว่าเข้าใกล้นั่งใกล้ได้ไหมไม่ได้เรียกว่าอะไรอยู่ไกลนั่งไกลไม่ได้เข้าไปใกล้ฉะนั้นตัวสภาพศรัทธาต่างหาเป็นตัวชี้บอกว่าเออคุณเข้าไปใกล้ไหมแล้วพระอาจาเย์ในเวลาพระอาจาร์จะไปโปรดเนี่ยไปโปรดใครก่อนรู้ไหมเราคนมีศรัทธาก็ไม่มีศรัทธาพระอาจารย์ไปโปรดคนที่มีศรัทธ า, ปปาทำไมพระพุทธเจ้าไม่มักโปรดเราเป็นคนแรกทําไมไปโปรดท่านัญญาโคนัญญาเพราะ เพราะท่านัญญากรญ์ยรมีศรัทธามากกว่าเราเราต้องยอมรับนะว่าเราเข้าวัดกันที่ศรัทธาเนาะนี่เราจะได้รู้จักตนเองไงโอ้ที่พุทธเจ้าไม่ยอมโปรดเราเพราะเราไม่มีศรัทธาเราไม่มีศรัทธาทีนี้คนไม่มีศรัทธาก็แปลว่าไม่มีอริยทรัพย์คนไม่มีอริยทรัพย์ก็แปลว่าคนยากจนใช่ไหม คนยากจนอีกอย่างเขาเรียกว่าคนจันทางคนจันทางเนี่ยเออแล้วเอ้าคุก็บอกว่าฉันจนจะอย่างไงฉันมีบ้านฉันมีรถฉันมีที่ดินฉันมีทรัพย์เอาอนนั้นคุณก็มีที่แต่คุณมีแต่ทรัพย์ภายนอกแต่คุณไม่มีอริยทรัพย์ภายในทรัพย์คือศีลทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยทรพัพย์คือศรัทธาคือศีลมีไหมถ้ามีศรัทธาถึงจะถึงจะเชื่อมโยงมาสู่ศีลได้ ถามหน่อยว่าทราคือสุตตะมีไหมสุตตะคืออะไรแล้วที่ฟังเนี่ยฟังดีไหมเนี่ยฟังสิ่งที่เป็นคําสอนไหมที่ผ่านมาเนี่ยถามหน่อยว่าจริงๆแล้ว เ, เราเลือกได้ไหอั น, นี่ยเป็นคําสอนเป็นคาสอนเราแยกแยกออกไหมไม่ออกอีกสุตตะเนี่ยคําว่าสังสมสุตตะเนี่ยเขาเฉพาะที่เป็นคําสอนเนี่ยเขาจะเรียกสังสมสุตตะ เมื่อมีศรัทธาก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้กันนั่งกันเมื่อนั่งใกล้ก็เมี้ยโสดเนี่ยเมี้ยโสดเนี่ยลงสัตลงฟังลงสดับมันเห็นกรณีนี้เวลาแต่เธอบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะฉลาดในเรื่องของปุคละกโรภรณิตาพระเจ้ารู้จักบุคคลเราพระพุทธเจ้าดูพวกเราพบพระเจ้าก็จะดูว่าไอมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาพระเจ้าก็คัดไว้ก่อน แล้วที่ที่สองพันกว่าปีที่ผ่านมาผู้เจ้าคัดออกไว้ก่อนอยัง่ยัดไว้ก่อนอยังไ ม, ไม่มีศรัทธาที่พวกขุขักเพราะเราเราศรัทธา่จริงเรามีเราไม่เชื่ออะไรใครกันไม่รู้พระเจ้าก็เลยไม่โปรดก่อนทีนี้ในบรรดาคนที่มีศรัทธาเนี่ยนะพระเจ้าก็มาแยกบอกว่าสนใจ สั่งสมสุดตะหรือไม่สนไม่สนใจถ้าบุคคลที่มีแค่ศรัทธาธรรมดาแต่ไม่สั่งสมไม่ไม่สนใจในการจะสั่งสมข้อมูลพุทธโอวาพุทธเจ้าคัดไว้ก่อนไหมพุทธเจ้าเอาแต่เฉพาะคนที่สั่งสมพุทธโอวาไว้ก่อนบุคคลนี้ให้ได้อัธยาศัยเออให้ได้ดูให้ได้เจริญบุญผลแบบธรรมดาเนี่ยเข้าวัดบั่งวนบ้านสารเข้าไปสู้เลยนะไปเรืเ่อยไปเนเี่ย ทำบุญเก้าวัดบั่งสิบแปดวัดอะไรไปเงี้ยไรไปนะจุดโทษบั่งเขาไปเขย่าเสียมซีบั่งเขย่าอะไรกก็ว่าไปอ่ะไม่เป็นไรพราะนี้ก็ไม่ชอบสั่งสมข้อมูลใช่ไหมแต่ก็ให้อัจาสัยะใสไหมให้เข้าไปก็ยังอ้อนวอนหลวงพ่อตอนนี้ลูกไม่เคยดีหลวงพ่อช่วยทําให้ลูกดีชั้นดีๆหน่อยก็ว่าไปก็ว่าไปใช่ไหแล่ะ พระเจ้าเขาไม่ได้ทิ้งเลยว่าเออคุณมาระลึกเราไม่ได้แต่ระลึกแต่คัดทุคัดไหมทุคัดไว้อีกประเภทหนึ่งตอนนี้เรามีศรัทธาไหมมีใช่ไหมแล้วไอ้ตัวศรัทธาก็เชื่อมโยงทาให้สภาพจิตใจเราเข้าใกล้พัตนาใจแล้วเข้าใกล้พัฒนาใร เ, เสร็จแล้วเนี่ยล่าน้องที่จะรักษาสีไหมน้องที่จะเริงรุ่งโสดสีไหม รักษาแบบมีเงื่อนไขหรือแบบไม่มีเงื่อนไขมันมีสองประเด็นนะรักษาแบบมีเงื่อนไขว่าเออบางคราวรักษาบางคราวไม่รักษาคือมันยังมีมันมีมันมีข้อแม้อยู่ว่ารักษาศีลเอานี้นะวัดดูนะศีลกับทรัพย์อะไรสำคัญกว่าทองเละเตะเลย ต้องได้แก่เลยน่าชื่นใจน่าชื <ION> ่นใจศีลกับญาติอะไรสําคัญกว่าถ้าจะไปหาศีลก็ไปหาญาติเอาศีลไปลอยญาติเอามีความแบบแบบพยุกต์ว่างั้นเถอะนี่มันก็ค่อยค่คิดไปเรื่อยนี่แหละค่อยค่อยคิดกัน ประเดนมันอยู่ตรงไหนหรู้ไหมประเด็นว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องของญาตินี่ถึงแม้จะต้องเสียชีวิตเนี่ยกล้าที่จะผิดศีลก็ญาติมั น, นมันดูเขาดูเป น, นตรงนั้นะกล้าไหมล่ะกล้าจะเอาศีลไหมที่ยังเอาญาดอยู่อ้าวทำไมละอวัยวะกับศีลเพราะทไมใกลชิดมาเรื่อยเลยนี้ ถ้าคุณไม่ยอมค่าสัตว์ตัวนี้เราจะตัดหูคุณข้างนึงเจ้าสีลหรือหูแล้วเมียสีลหรือหู <c oughs> โอฟังแล้ว น, น่าชื่จอ <c oughs> จริงเหรอ ออเอาความชัวรนิดนึงเห็นไหมว่าเอาไว้ว่าทุกชิ้นเนี่ยคือคือคนที่เขารักษาศีลก็มันพิจารณานยมเนะย มันพิจารณาถึงาาผมขนเล็บฟันหนังเอเง็นกระดูนเขาเออจริงๆเนี่ยที่เราพิจรารณาสิ่งต่างๆนี่ระดับสีไงอะไรมันเป็นรัพย์เนี่ยที่แท้จริงเนี่ยเอออวัยวะทั้งหลายเป็นผลของสีเนี่ยยังไงล้าเมื่อสีลมื่อกุศลศีมันหมดกําลังลงเอวัยวะมันก็วิบัติไอ้คนฉลาดเขามองเหตุมองผลฉลาดคิดไงเขาจึงต้องรักษาสียิ่งกว่าหัว รักษาศียิ่งกว่าจมูกยิ่งกว่าลิ้ให้สังเกตดูนะตอนที่ขันติวาทีดาวดโดนสัตว์หูสังเกตั้ยว่าเป็นตัวขันติสังวรตัวนั้นเป็นตัวศีลส่วนหนึ่งเดนขันติสังวรที่ขันติบารมีของท่านน่ะที่ท่าไม่โกรธถามราะว่าที่ทุบพระเจ้ากรลาตีตีทุบแล้วก็ดูก่อนมหาบพี่ บอกว่าบอกว่าอัตมาภาพอัตมาภาพพอทนได้จเจริญพรไอนะ้ที่จเจริญก็พอทนได้จเจริญพรนะแล้วก็บอกขันติก็ามาไม่ได้ไปอยู่ที่ตามเนื้อตามตัวนะแอ้ตัวศีลไม่อยู่ตรงนั้นก็ตัดหูเห็นไหมตัดหูท่านไม่ท่านท่านไม่เอาหูแต่ท่านเอาศีลเอาขันติเพราะอะไร ทำไมท่านต้องทำไมท่านต้องห้ามความโกรธโดนตัดจมูกโดนตัดจริงๆนะไม่ยไม่โดนตัดจริงๆนะเราคิดดูเราเอาวิญญาณมาตัดหูมาตัดจมูกเนะ่มาตัดลิ้นตัดมือตัดอวัยวะไปเรื่อยๆเืยๆเรืๆเนี่เราก็ต้องดูวอ๋อท่านท่านเอาท่านเอาศีลท่านไม่ได้เอาอวัยวะคือท่านสมาทานมั่นคง แล้วก็รักษาสภาพใจตัวเองอย่างดีถามว่าจิตใจที่สามารถรักษาคุณภาพของจิตได้ระดับนี้แปลว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่ท่านไม่ปวดไม่ท่า น, ท, านท่านไม่เจ็บนะแต่ท่านเห็นว่าความสาเร็จเนี่ยมันจะเกิดได้จากการที่ตั้งมั่นในกุศลแลีเป็นต้นและสมาธิเป็นต้นเราเนี่ยเคยแตกดับมางนู้กี่ ล, ล้านอัตภาพแล้ว เดี๋ยวเราก็ต้องไปขึ้นเขียงให้หมอหัน่นหมอตัดกันอยู่ที่ลรเนี่ยนั่งนังันอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็เจาะ บ, บ้างโดนแทงบ้างอะไรไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยร่างกายที่เราหวงกันน้ากนหนานี่ยแหลปะประคบประหงมอะใครว่าก็ไม่ได้กรดเป็นฟืนเป็นไปเนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยเออเรากลับไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าอิส牟ฐานของของสิ่งที่สําคัญที่สุดของอวัยวะมันคือตูนกุศลสี และกุศลศีลเนี่ยเป็นส่จดิตกรรมที่จะรักษากระแสชีวิตของเราในการต่อไปจะทําให้กระแสชีวิตของเราเนีพ้นจากอบายภัยและพ้นจากว่าจะทุกข์เห็นไหมพอพอเจาะเนื้อเจาะตัวเขาจริงๆเรากลายเป็นว่าเออเราเริ่มเข้าใจแล้วจริงๆแล้วไอ้ตัวศีลใช่สาระไหมใช่ไม่ใช่ศีลใช่สาระไหมศีลเป็นสาระที่เราไม่เข้าถึงสาระเพราะใจเรามันไม่เป็นศีลจริงๆสักทีไง มันเลยได้แต่รูปแบบได้แต่รูปแบบว่าเออเราเป็นพุทสมาทางศีล น, นะศีลไม่อยู่นอกหมดเลยอ่ะนอกตัวเองหมดเลยอะใช่ไหมศีลเราไปอยู่นูนน้น่อยู่กับโตอยู่กับต้นไม้อยู่กับ อ, อ, อะไรไปเสร็จเนี่ยถามว่าตัวหนังสือใช่ศีลไหมใช่ไม่ใช่แต่หนังสือเนี่ย เป็นปัจจัยเกื้อนหนุนให้การให้ความผิดศีลเกิดได้ไหมให้การมีศีลเกิดขึ้นได้ไหมความนักบาชเกิดได้ไหมจากหนังสือเรื่องนี้อย่างนไหมฆ่าสัตว์ก็ได้ฆ่าสัตว์ก็ได้ถามว่าหนังสือแค่เนี้ยฆ่าคนตายก็ได้แล้วเนี่ยฆ่าคนตายก็ได้ฆ่ามดฆ่าปูฆ่าอะไรตายไปเยอะแยะหมดเลยและเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการมีศีลก็ได้ จากการไม่ฆ่าไม่รักก็ได้ของแค่นี้ยเป็นปัจจัยในการฆ่าสัตว์ก็ได้รักซากก็ได้ประพฤติผิดในกรรก็ได้พูดเท็จก็ได้ส่อเสียดําอย่างเพื่อเจอือเป็นต้นก็ได้ดึมสุรามีลายเป็นต้นก็ได้แต่อะไรรู้ไหมแต่มันไม่ใช่ตัวศีลไม่ใช่ตัวศีลแต่คนฉลาดเขาเห็นสิ่งเหล่านี้เกื้อกูลต่อการที่จะทําให้กุศลศีลเกิดได้ ไม่ทำให้ร่วงละเมิดกุศลศีลล้ง ต, น, ตนเองด้วยการจะเกิดความผิดพลาดเมื่อเกี่ยวข้องกันสือเรื่องนี้ใช่ไหมไอ้คำว่ามีกุศลศีลเกิดขึ้นในกระแสของความคิดตอนนั้นน่ะตอนนั้นเขาเรียกว่ากำลังมีสารณะอยู่ในใจมีสารณะอยู่ในใจใและสภาพสาระสภาพกุศลศีลเป็นอริยทรัพย์ไหม ทรัพย์นี่กว่าจะได้ยากหรือง่ายยากเมื่อได้ยากเนี่ยต้องอุตสาหะต้องแสวงหาไหมต้องอุาาทานรัมีทามไหมต้องมีความหมั่นความขยันความบากบั่นอย่างเพียรพยายามไม่กว่าจะได้สีมาเนี่ยเมื่อได้แล้วแต่เชื่อไหมอย่างกุศลที่เราได้กันวันเนี้นั่นก็เราทิ้งมันน่าเสียดายอ่ะเราไม่มีอรรถรัมีธรรมเราไม่รักษาทรัพย์คืออริยทรัพย์ของเราใช่ไหม ที่ผ่านมาที่เราการเป็นคนยากจนอริยทรัพย์เนี่ยเพราะเราไม่อุตสาหะเพียรพยายามไม่ให้ตัวอริยทรัพย์มันเกิดขึ้นในตนจริงๆแต่พอเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยป่าละเลยประมาทเลินเล่อปล่อยให้ตัวอริยทรัพย์ภายในมันหลุดลอยไปจากความคิดอยู่เรื่อยเลยเป็นอย่างนั้จริงไห่จิงตัวศรัทธาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ใช่ไหมแต่พอผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงศรัทธาก็หายไปใช่ไหม อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่ไม่รักษาทรัพย์ที่หามาได้แล้วสำคัญไหมระหว่างพยายามทำให้เกิดใหม่กับการรักษาไหนสาคัญกว่ากันก พ, พอรักษาแล้วที่จะทำทาทรัพย์ให้เพิ่มพูณนอ่ะยิ่งยากใหญ่ไหมเออมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้ได้หรือยังทรัพย์ภพที้ได้กันบ้างหรือยัง ต้องรักษาแล้วต้องทํำซัพยันนี้เพื่อปูนไหมถ้าซัพ์แค่นี้จะพอเอาไปแลกซื้อพันธุพานไหวไหม <Okay. S 1> ไม่ไหวราคามันยังต่ำไปราคามันยังต่ำไปเข้าใจยังเนี่ยพอพันธุพานเนะี่ยต้องต้องใช้อรเลียซั์เยอะไหม <Okay. S 1> ต้องใช้อรเลียซั์เยอะตอนนี้เราเก็บได้น้อยเก็บแล้วก็หลดหมดวันนี้โอ้โหได้กุศลศีลได้ศรัทธาไปเสร็จ พอลงไปข้างบ้างไปบนเขอีกแล้วทราบล่วงหายอีกแล้วต้องมาตั้งใจใหม่สมาทานใหม่กว่าจะอุตสาหะเพียนพยายามเก็บมาได้ไหนะพอเก็บมาหน่อยก็ลดท้ายไปอีกแล้วอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนา่าเสียดายทาไมไม่ต่อยอดเดี่ยวนั้นเล่านี่นะคนบางคนเนี่ยเวลาเขาฟังพระธรรมพอฟังปุ๊บเขาเข้าใจแล้วก็เข้าถึง พอเข้าใจแล้วเข้าถึงเลือเสร็จปุ๊บเขามี่ต่อยอดให้ควให้ควให้ควรเขารู้เขาเสียดายถ้ามันไอความไอความมีศรัทธาความมีสีความที่กุศลธรรมของเขาเน่ะมันจะหลุดจากใจอ่ะคนบางคนเฉยเมื่อเข้าใจแล้วเข้าใจจดจดจดไว้อยู่แค่นี่ยมันไปอยู่ในนู่นแต่กระดาษนี่ยนะเดี๋ยวฉันไปที่นั่นเดี๋ยวฉันไปเปิดดูมั้งนะเรากลับไปไปดูหนูลูกนี่ฉัน ว่าอะไรม่รู้เราก็จดยอ่อดโนตอีกยิ้มอ่านไม่ออกอีกใช่ไหมไอะไรพูดก็เหมือนเดิมพความรู้สึกมันไปหมดแล้วสภาพภูสุรศีน์มันหมดแล้วสภาพศรัทธาก็เรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> ไม่รักษาทรัพย์จนตลอดชาติ <c oughs> เําคนไม่รักษาทรัพย์จนตลอดชาติั้ยจนทรัพย์ภายในต้องรักษาไหม การที่จะให้ทรัพย์เหล่านี้ให้สังเกตดูไหมว่าให้สังเกตการรักษาทซั์เนี่ยเขาต้องอาศัยอะไรอาศัยกาลยานมีดภายในกลุ่มโยนิโสอไอโยนิโสต่างๆันต้องเชื่อมโยงกับมีดภายนอกเห็นไหมคนบางคนเวลาเขามาฟังเขาทำปุ๊บพอเขาเกิดความเข้าใจครบแล้วเขาเริ่เจริญต่อเจริญต่อเจริญต่ อ, อ, ตอคนที่เขาบรรู้กันน่ะ ที่คนบรรลุนี่เนะยยกตัวอย่างนะเวลาพระท่านฟังธรรมอยู่พุทธเจ้าเวลาท่านฟังคบอยู่ท่านเขหงหงิตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมท่านรู้ว่าสิ่งนี้หายากที่สุดพอความเข้าใจเกิดขึ้นครบเป็นเสร็จท่านก็เริ่มเจริญต่อเจริญต่อเจริญต่อเจริญท่านทะลุเลยเพราะท่านรักษาทราบแล้วก็พ่อคุณทราบเดิมนั้นเลยอริยทราบก็พ่อคุณในใจแล้วแทงตลอดเราบางทีพอฟังครบเข้าใจครบ จดไว้เดี๋ยวบอกลูกเดี๋ยวบอกลูกนี่ไอ้ไปแล้วนะเนี่ยไปแลยนะเนี่ยทําตัวเหมือนพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาตศัตรูเนี่ยฟังธรรมฟั ง, ฟ ง, ฟ ง, ฟงสามาัญผล ส, สูตรฟังตรงไหนชีวากะอัมภวรรันเขาลงยาเขาพิจกรูเนี่ยใช่ไหมพระริเจ้าเนี่ยหมอชีว ก, กมาลาพัสเนี่ยหมอชีวกเนี่ยท่านฉลาดเดี๋ยวนี้มาปั้นลูกหมอชีวกเสียหายหมดเลยหมอชีวกเป็นพระโสดาบัน เอาลูก ป, ประคำไปใส่คอหมอชีวกเป็นอุบาสกเป็นอุบาสกเป็นพระโสดาบันนะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพิมพิสารด้วยแล้วก็มาเป็นปุโรหิตของพระเจ้าชาติสุตุด้วยนะแล้วเป็นอุบาสกเป็นหมอประจําพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็พระเจ้าชาติสุตแล้วก็พระพุทธเจ้านั่นเน่ยไม่ใช่คนธรรมดาเนะสร้างวัดชีวะกกาอภวันเนี่ย ทำไมท่านถึงสร้างวัดชีวกาอภวรหวายพระเจ้ารู้ไหมท่านรูพ้พระเจ้าเวลาพระเจ้าจะเสเด็จลงจากเขาคิจกูดจะต้องไปวัดเวรุวันท่านก็มาสร้างดักไว้เลยนี่คนฉลาดพราะพระเจ้าและสาวกพระเจ้าเวลาลงจากเขาคิจกูดจะต้องพักวัดเราก่อนฉะนั้นพระเจ้าก็ต้องป ร, ประทับก่อนเพื่อให้ได้เจ้าของได้อานิสงเจ้าไหมเหมือนที่พระเจ้าประทับอยู่ที่สาวกชีอะ พระเจ้าก็ใช้สองสถานนะยิงอยู่นัดจาพรรษาที่เชตวันเนี่ยสิบเก้าพรรษาที่ปุกพารามน่ะหกวัดเขานางวิสาขาเนี่ยแต่พระองค์ทุกวันพระองค์ใช้สองสถานที่ถ้ากลางคืนตอนราตรีอยู่ที่วัดเชตวันกลางวันก็มาปกพาลามนั่นสองสถานะสองสถานะถาที่เหล่านั้นภ่าระยะถึงเยอะมากเพื่ออนุเคราะห์สองเจ้าของนะ นี่เป็นการชีวการมพวันเขาคิดจะกูดตลอดถึงวัดเวรุวันพุทธ้าก็ใช้ตลอดเดินหน่วไกลด้วยนะเดินลงมาก็มาประทับที่เชตาชีวกาบพวันจากชีวการมพวันก็ไปที่วัดเวรุวันก็ต้องดูเส้นทางที่พระองค์เสด็จประทับเราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็ต้องก็ต้องมองมองภาพอดีตออกแล้วต้องมองสังคมในยุคนั้นเป็นนะมันต้องแยกเชื่อมโยงทำสัดทินงสีให้แข็งแรงได้ใช่ไหมใช่ ศรัทธาจะได้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวโ อ, โอ้คนฉลาดเขาจเจริญบุญกันอย่างนี้คนฉลาดเขาจเจริญกุศลกันอย่างนี้ทีนี้ให้สังเกตดูว่าเวลาท่านต่อมาท่านเป็นพระโสดาบันเนี่และที่ชีวะกะอัมพวันนี่แหละที่หมอชีวกโกมาลาพัฒพาพระยาทศชาติสุนรอบฟังพระธรรมฟังสามัญผ ล, ลสูตในชีวทนิกายศีลหกะะัญญาวัตร ตอนนั้นเน่ะพระเจ้าชาตูก็ทุกใจใช่ไหมทําปี่ตุฆาคือฆ่าพ่อเครียดนอนไม่ได้ไม่เคยนอนได้กว่านอนป้อมไหนมีมิดร้ายอะ่ะมีมิดเมื่อร้ายก็มาคนที่ทุกมากที่สุดในยุคนั้นก็คือพระเจ้าชาตูทําไมถึงทุกฆ่าพ่อฆ่าพ่อถ้าพ่อเป็นพระเจ้าเป็นดินสองพ่อเป็นอุบาสก เป็นพระโสดาบันเป็นผู้บางศกของพระพุทธเจ้าหนึ่งมีบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าทุกมากไม่กล้าไปสู้หน้าพระพุทธเจ้ากลัวพระเจ้ามากท่านกลัวมากกลัวเดรกกลัวเอาหนา้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นดินกลัวนะเวลาจะพระเจ้าเป็นดินจะเสด็จไปไปฟ้างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นดินจะต้องถอด ต้องไปอย่างสามัญชนนะไปอย่างสามัญชนนะคุณฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้เาไม่ใช่เป็นบุคคลแบบที่ใครจะเข้าหาก็เข้าได้ไง่ายๆไม่ใช่คนที่มีศรัทธาเท่งนั้นถึงจะเข้าเฝ้าได้เจอไหมห้อกตอนนั้นพระเจ้าท่าตัวกุ้มมากนอนก็ไม่หลับลําบากก็ปรึกษาครูทั้งหกในยุคนั้นกูรณาขาศส ม, มัครที่โกสาระพกบรรดาลูกศิลูกหาเนี่ยของกุรณาขสม ก็ไปไม่เคยตอบปัญหาพระเจ้าชาตูเลท่านท่านเะต้อรอภิาเนะ่เห็ไหมจริงๆแล้วท่านจะต้องได้บรรลุะแต่พราะกรรมนี้แหละอ น, นันตริยกรรมเนี่ยก็มาตัดร้อนท่านแล้วท่านก็ตอนนั้นหมอชีวกโกมาแล้วท่านก็พาพาไปกลาคืนใช่ไหมพอไปไปเสร็จตอนนั้นก็พระเจ้าชาตูก็อุบอัดเราเองกลัวมากทําไมถึงกลัวคิดว่าหมอชีวกจะ พามาทํารัฐปหารโดยการจะเพราะคนที่เป็นลูกน้องของพระเจ้าทิมพิสารเต็งเมื่งเนี่ยตนเองยึดอานาจพ่อขึ้นมาเนี่ยแล้วคนที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าทิมพิสารเต็งหนึ่งก็หวาดระอุเลยเห็นไหมเป็นการเป็นการปกครองเป็นดินที่เครียดมากนะถ้ามองเนี่ยนะ้ลุมมากนะที่นอนก็ไม่หลับที่จริงจริงก็ หมอชีวก็พาเฝ้าก็ถามหมอชีวกว่าไปที่ไหนออกไปในชีวกาอภาวันพระริจ้าพร้อมด้วยภิกษุ ส, ษสงฆ์เป็นพันเลยเป็นพันคนลูกเดยที่เดูยวหนึ่งพอไปก็ไปในวัดชีวกกาอภาวันเนี่ยเดินเข้าไปในวัดเนี่ยนะกับไม่มีเสียงเลยเงื่อนเงื่อซอมกายเลยทั้ง ท, งท้งที่เป็นอากาศเ ย, นเน ย, เนย็นเนี่ยนกลคือเนี่ยเนยต้องสุด ซดจนจนจนเอหมอชีวกต้องประคองเลยต้องประคองเลยทําไมต้องประคองอ น, นี้แปลว่าอะไรรู้ไหมกลัวไม่กลัวกลัวอะไรอ่ะกลัวถูกหลอกมาฆ่าหรือเปล่าหมอชีวกเลยชี้ไปบอกว่าเราะพูดเหนือภาคเจ้ า, า, านั้นพาดอยู่เป็นเรือนพันแต่ไม่มีเสียงเลยอ่ะพอเขียนแค่นั้นก็กระตันลุ้นเลยโอ้ สารณะเขาอยู่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะเห็นความสงบคร๊บจะคิดถึงใครเลยไหมคิดถึงลูกโอ้ลูกเราน่าจะสงบอย่างนี้เนาะดูใจใจแกจะไม่เนี่ยคนที่มีสภาพเราเป็นคนแบบนี้ไหมเวลาฟังอะไรบ้างก็คิดแว บ, บไ ป, ปอื่นแวบบไปที่อื่นเลยเงี่ยมันเข้าเข้าสาธารณะยากคนที่มีจิตใจวกแว บ, บอย่างเงี้ยเข้าถึงสาธารณะยากมากความเรื่องนี้ปุแบบ๊บแวบ แว บ, บอื่นพอไปเสร็จพระพุทธเจ้าก็พระเจ้าเทศเทศสามัญผลสูตรในสามัญผลสูตรเนี่ยในศีลขันธวัชนี่นะเามาย่อๆนิดหนึ่งเนื้อหาในพระสูตรเนี่ยเริ่มตั้งพระบาลีเนี่ยที่บอกว่าเป็นวันอุโบสถวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นวันเวลาเดียวที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ชีวะกะอามพวันของหมอชีวกที่ราชคฤก์ตอนนั้นมีภิกษุประชุมกันสองพันเออหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปชุดเดียวกันที่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยพอพาเข้าไปนี่เนี่ยพระเจ้าชาติตูเมื่อไปเนี่ยพระองค์ก็ถามหมอชีวกนี่นี่นยหมอชีวก เธอไม่ได้หลอกลวงมาเราหลอกเรามาใช่ไหม้็ไปคิดว่าอก็เธอคงไม่ได้นําเรามามอบแก่ศัตรูใช่หรืมอันนี้แปลว่าอะไรวันนี้มีพระสองฆ์อยู่ตั้งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเราไม่เห็นได้ยินเสียงเลยทําไมไม่ได้ยินเสียงเลยหลังจากที่ได้เสด็จเข้าไปถึงบริเวณด้าน ในของสวนก็ถามอีกไปก็ถามอีกอย่างนี้นะพระเจ้าชัตตูเนศเดจเข้าไปพอไปเห็นประทับนั่งพร้อมกับเปล่งอูทานว่าขอให้พระราชกุมารอุทัยพัฒยจงเป็นผู้สงบเช่นนี้เถิดอัอนนี้คิดถึงใครเนี่ยลักษณะแบบนี้พระเจ้าก็เลยตรัส บ, บอกหาบอกพิษพระองค์ได้ทรงใจไปถึงที่พระองค์รักเสียแล้ว คือพอเข้าไปเฝ้ า, าพระุทธเจ้าปุ๊แล้วก็บอกว่าขอให้อภัยพันราชกุมาษของข้าพระองค์เนี่ยสงบแบบนี้เธอพระุทธเจ้าบอกดูก่อนมหมาบอกพิพระองค์เได้ส่งกระแสจิตเนี่ยไปหาสิ่งที่รักเสียแล้วถ้าถามเราอยเนี้ยเวลาเราจะฟังธรรมเนี่ยจิตเราจดจ่อการฟังไหม ได้ส่งใจไปหาทรัพย์ที่บ้านน้างหาบุตรบ้างไหมหาว่าเออแล้วกลับไปแล้วจะไปทำโน้นทํา น, นี้ส่งใจไปบ้างอย่างตอนนี้ยหรือตอนนี้งานเข้ามารอข้างหน้าหมดแล้วว่าไง <c oughs> <c oughs> แล้วถามว่าเราต่างอย่างพระเจ้าเจ้าตัวไหม <c oughs> เออถ้าไม่บรรลุอย่าแปลก แต่ถ้าบรลุนี้แปลกถ้าทงใจอุงซรารอย่างนี้แปลกแล้วไม่มีเข้าใจยังมันมันยากกรณีที่จะรักษาใจให้นี้คนถามว่าศรัทธาไม่ได้เต็มเปี่ยมอะไร น, นเนี่ยพระเจ้าชาติตัวมาครั้งนี้ไปทุกมาพระเจ้าชาติศัตรูก็บอกว่ากาวว่าขอรับข้าพระองค์รักไถ่ราชกุมารอุทัยพัฒนมาก ต้องการที่จะให้เธอเป็นผู้สงบเช่นนี้เห็นไหยเพราะก็ตอบย้ำสมมุติพระพราถามโยมทำไมไม่ตั้งใจในการเข้ามาฟังธรรมอบรม